ซึ่งจะเป็นสมาธิแบบนิกายเซนหรือแบบอื่นๆก็ตามมักมีความสามารถพิเศษในการบังคับคลื่นอัลฟาได้ตามใจชอบหมายเหตุผู้แปลผู้แปลใคร่ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมสักเล็กน้อยว่า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 พระนคร